มันจะได้อารมณ์ดีอยู่พักใหญ่คือมันจะลื่นไหลเราสามารถเ อ, อมันอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ตามทันเ อ, อถึงพอเผลอเรารู้อ่ะเรากลับมาแล้วก็เราก็แก้แก้ไดอ้อก็กลับมาจับนี่ได้ออือไมไ่รู้ป่ะคือยังไงยังไงอ่ะต้องจับปัจจุบันให้ได้ให้ได้ชัดด้วยนะถ้าถ้าไม่ชัดนี้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 เราก็คงไปเข้าจับไปที่ความว่วงก็ลืมพอดียกมืออยู่พอมือตอนตอนยกขึ้นมาตอนที่จกักจักสะดือเนี่ยถ้ามันก็ถูกอีกมือหนึ่งปึ๊บขึ้นมะรู้สึกตัวให้ความว่วงแวบหายมันก็ได้แล้วก็พอพอบางครั้งเนี่ยเราเพ่งหน่อยเพราะปกติติดเพ่งอยู่แล้วือ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 เรามาโยน์มาโน่นมาทางคุณจูรี้กลนะับมาคุณจูรี่เดี๋ยวจะให้อาจารย์ประภพักเป็นคุณสุดท้ายนอกจากรายงานแล้วก็สรุป